รรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระหุสุดตังธรรมทารังสัปัญญงพุทธสาวกังเท е วาปินางประสังสันติพระมุนาปิประสังสิโตติต อีนับัณนีอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันานาถึงความเป็นพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิด ประรบในโอกาสที่ผองพุทธบริษัทญาติโยมอุบาสกบาสิกาและเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครได้มีศรัทธาภะสาธามาบำเพ็ญบุญกุศล บริจาคทานสมาทานศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำทุกวันธรรมัฏสวนะคำว่าธรรมมัฏสวนะเแปลว่าวันแห่งการฟังธรรมฟังเรื่องราวหลักการคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ส่งมุ่งหมายให้เราท่านทลายได้สะดับหลักการดำเนินชีวิตในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการทบทวนหน้าที่ชีวิตและกิจการงานของเรา สิ่งใดที่มีความผิดพลาดจะได้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดที่ดีงามอยู่แล้วจะได้สืบสารพิทักษ์รักษาไว้ส่วนใดที่ยังไม่มีส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มีทำให้เกิดขึ้น อันกิจของชาวพุทธนั้นองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นสามประการประการที่หนึ่งปหานกิจประการที่สองภาวนากิจ ประการที่สามอนุรักษนากิจปะหานกิจแปลว่าขับชั่วออกไปภาวนากิจแปลว่าขนดีเข้ามาใสอนุรักษนากิจแปลว่ารักษาดีนั้นๆไว้ อย่างนี้จะเข้าใจง่ายขับชั่วออกไปขนดีเข้ามาใส่แล้วรักษาดีนั้นนั้นไว้อันนี้คือกิจของชาวพุทธที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทุกวันธรรมวันะ เรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเสริมธรรมเสริมปัญญากันและวันเช่นนี้เราเรียกกันทั่วไปว่าวันพระคำว่าวันพระก็แปลว่าวันประเสริฐจริงๆแล้ววันทุกวันนั้นดีทุกวัน ไม่มีวันไหนเป็นวันชั่ววันเสียหายความชั่วความเสียหายจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกุศลหรืออกุศลที่เราแต่ละท่านแต่ละคนได้กระทำไว้วันไหนเราทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีเป็นวันมงคลเป็นวันทงชัย วันไหนเราทําเสียหายวันนั้นก็เป็นวันร้ายเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาศแต่ในจํานวนแตละวันแตละวันวันพระท่านถือว่าเป็นวันประเสริฐคือวันดีกว่าทุกทุกวันเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า กำหนดให้เราทุกท่านทุกคนมาทบทวนบทบาทลีลาชีวิตเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตของเราให้ดีงามขึ้นดังที่ได้ปรารถในเบื้องตน้นองสมเด็จพระทศพลบรมศ า, ศาสดาจึงได้ตรัสไว้ ต้องด้วยพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าพระโหสุตังธรรมธรังสับปัญญพุทธสาวกังเป็นอาทิแปลความว่าผู้เป็นพระโหสูตรผู้ทรงธรรมผู้เป็นพุทธสาวก ผู้มีปัญญาจะอยู่ณที่ใดจะกระทำสิ่งใดแม้เทวดาก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญเทวดาก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญเหมือนกับการที่ทุกท่านได้สละโอกาสหน้าที่การงาน มาสดับพระธรรมเทศนามาบำเพ็ญบุญกุศลทุกวันพระทุกวันธรรมสวนะที่วัดปรีระวงสาวาตวรวิหารอยู่เป็นประจำข้อนี้แหละชื่อว่าทุกท่านได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีงามขึ้น การได้สดับพระธรรมเทศนาอยู่เนืองเน่องพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทำให้เราเป็นพูะหูสูรคำว่าพระพระหูสูรแปลว่าผู้ได้สดับตรัสฟังมามากผู้ที่ได้ฟังมากๆจะอุดมด้วยสติปัญญาด้วยความคิดความรอบคอบ และความรับผิดชอบนอกจากนั้นเมื่อได้ฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่เป็นประจำก็จะทำให้เราท่านทลายดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีเรียกว่าเป็นผู้ทรงธรรม ผู้ที่ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนั้นหมายถึงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบคำว่าบุคคลต้นแบบคือเป็นทั้งแบบแผนแบบอย่างแล้วก็แบบฉบับโบราณท่านใช้คำว่าทำดีเอาให้ลูก ทำถูกเอาไว้ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกระตันยูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่รมใยให้ลูกหลานได้ยินนี่แหละสิ่งที่ทุกๆุกท่านได้ร่วมกันําเพ็ญให้เป็นไปการที่จะรู้ว่าใครเป็นบุคคลต้นแบบ ทั้งในทางดีและทางไม่ดีก็ดูที่พฤติกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าหะทยสสะสัถิสีวาจาบุคคลพูดเช่นใดและการกระทำนั้นสอดคล้องต้องกับใจที่คิดไว้หรือใจกับบาก หรือพฤติกรรมกับคำสอนสอดคล้องต้องกันนั่นแหละชื่อว่าเป็นบุคคลต้นแบบแต่ถ้าพูดอย่างทำอย่างปากกับใจไม่ตรงกันก็ไม่ต่างอะไรกับนิทานเรื่องแม่ปูสอนลูกปูซึ่งท่านทลายก็คงจดจำได้ แม่ปูสอนลูกปูแม่นั้นปรารถนาให้ลูกเดินตรงแต่แม่เดินคดเพราะขามันมากไปและจะให้ลูกเดินตรงเหมือนกับแม่ที่สอนก็เป็นไปไม่ได้เพราะแม่สอนแต่ปากแต่การกระทานั้นยังตรงกันข้าม ฉะนั้นนอกจากขั้นถลายจะได้สดับตรับฟังอยู่เนืองๆ เ, เป็นผูหูสูดดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีเป็นปูชนียบุคคลของลูกของหลานแล้วทุกท่านมาประพฤติธปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าได้แสดงออกซึ่งความเป็นพุทธสาวก คำว่าพุทธสาวกก็แปลว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกคือผู้ฟังพุทธสาวกก็แปลว่าผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าต้องตั้งตอนอยู่ในพุทธโอวาท พระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพุทธดำรัสตรัสสัง่งเราท่านทลายผู้เป็นพุทธบริษัทเอาไว้มากในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโดยย่อๆสักสองวาระเช่นในตายนะคาถาได้ตรัสเอาไว้ว่า กุโสยขาทุกขิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญยังทุบปรามัถังนิระยาอยู่ปกัติยังกินจิสิทิลังกมังสังกิริถถังจะยังวตังสังกัดสร้างปรามัดจริยังณตังโหติมหัพลัง ทั้งหมดทั้งปวงนี้ได้ตรัสเตือนเราท่านทลายให้รู้จักฐานะภาวะและประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกับฐานะภาวะพระบาลีมีความหมายว่ายญ้าคมบางเช่นหญ้าแฝกหญ้าคา อันบุคคลจับไม่ฉลาดย่ำบาดมือได้ฉันใดสามมันยังทุบปรามัดถังนิระยายูปกตติคนเครื่องความเป็นพุทธสาวกไม่ว่าจะเป็นสมณะหรืออุบาสกบาสิกาอันบุคคลลูกคร่ำชั่ว หมายความว่าประพฤติผิดพลาดบกพร่องเสียหายย่อมฉุดดึงลงนรกได้ง่ายได้ฉะนั้นแล้วก็ตรัสต่อไปว่ายังกินจิสิทธิลังกมังกิตอันใดที่เป็นไปด้วยความย่อหย่อนสังกิริตถังใจยังวตังวัะปฏิบัติอันใด ที่เป็นไปด้วยความเศร้าหมองสังกัดสรังปรมาจริยังพรหมจันท์อันนั้นที่ตามระลึกถึกนึกถึงื่ใดก็เกิดความกินแหน่งรังเกยียจณตังโหติมหัพลังพรหมจันทร์นั้น ไม่มีผลเลยนี่ก็ตรัสเตือนให้เราท่านทลายรู้จักฐานะภาวะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนมิให้ย่อหย่อนต่อฐานะภาวะที่ตนมีตนเป็นอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัส เตือนเป็นครั้งสุดท้ายตรัสแล้วไม่ตรัสอีกเลยท่านจึงเรียกว่าปัจฉิมโอวาทตรัสสั่งครั้งสุดท้ายแล้วเข้าสู่ปรินิพานองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสว่าหันทธานิภิกขเว อามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทธะแปลว่าดูกระพิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ตะถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย ว่าชีวิตสังขารมีการเสื่อมสิ้นไปเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอัอปมาเทนะสัมปาเทถะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดได้เคยปรารพอยู่หนึ่งเนึ่งว่า ที่ว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนั้นให้ไม่ประมาทในเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงมุ่งหมายว่าหนึ่งไม่ประมาทในวัยสองไม่ประมาทในชีวิตสมไม่ประมาทในจิตสังขาร สไม่ประมาทในหน้าที่การงานหไม่ประมาทในการตอบแทนพระคุณผู้ที่มีคุณแก่ตน6ไม่ประมาทในเรื่องบุญเรื่องกุศลและ7ไม่ประมาทในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคม นิ้คำว่าไม่ประมาททรงหมายถึงให้รู้จักดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาคือเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาการเตรียมจะทำให้เราพร้อมการซ้อมจะทำให้เราไม่วันไหวในยามที่จะ ประสบพบกับอะไรก็ตามที่เราไม่ปรารถนาจะเป็นตาที่บุคคลคือบุคคลที่มั่นคงไม่หวั่นไหวคล้ายกับภูเขาแม้พายุจะพัดมารุนแรงอย่างไรภูเขาก็ไม่หวั่นไหวเกิดเป็นคนอยู่ในโลก จะต้องประสบพบกับโลกกระทำบ้างทั้งในด้านได้ด้านเสียด้านเสื่อมด้านเจริญด้านสุขด้านทุกข์ด้านสรนเริญด้านนินทาก็ให้ตระหนักว่านั่นเป็นสิ่งธรรมดาเพราะเป็นของที่มีอยู่ประจำโลก ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ถูกกระทบด้วยโลกธรรมแต่ต้องรู้เท่ารู้ทันอย่างที่โบราณบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันจะหมดทางกันทางแก้เช่นเวลาได้ก็อาจจะดีใจจนลืมตัว ครั้นเวลาสูญเสียเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งหมดสติอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกท่านมีสติมีปัญญารู้เท่ารู้ทันไม่ประมาทในวัยอยู่ในไวัยไหน เร่งบำเพ็ญประโยชน์ในวัยนั้นให้บริบูรณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรัฐพทวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดปรีรวงท่านได้เทศเป็นประจำว่าวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐาน วัยชาราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่คือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเป็นอนิจจจะไปผัดวันประกันพรุ่งเมื่อโน้นเมื่อ น, นี้บางทีก็ไม่มีโอกาสและเป็นเหตุให้พลาดจากประโยชน์ ท่านทลายอย่าลืมว่าชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้โรคาพาดอาจโจมจู่ใครรู้ได้อีกเวลาที่จิตปริจากกายที่นอนตายมิหมายรู้ทุกผู้เลออีกบทหนึ่งได้แสดงเอาไว้ ถึงความเป็นอนิจจังว่าเมื่อเช้ายังเห็นหน้าครั้นสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้า พอรับตาตายเสียแล้วท่านทหลายใครจะนึกว่าชีวิตเป็นอนิจจงเหมือนกับอาจารย์คู่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง เป็นบุคคลคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของสังคมประเทศชาติเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เพิ่งแต่งงานดูว่าจะได้สิบสี่วันเท่านั้นแล้วก็ไปเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนฟ้าฝนก็ไม่ตก แต่แล้วก็ถูกฟ้าผ่าตายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดนี่ก็เป็นอนิจจอยันนึกว่าฝนตกเท่านั้นฟ้าจึงจะผ่าแต่ฝนไม่ตกฟ้าก็ผ่าแล้วใครจะนึกว่าเพิ่งแต่งงานกันใหม่ชีวิตกำลังสดใส เป็นที่หวังของครอบครัวและวงตระกูลของสถาบันของประเทศชาติแต่ก็มามีอันเป็นไปอย่างกระทันหันช น, นิดที่ใครๆก็พากันหันไม่ทันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในจิตสังขาร คำว่าจิตตสังขารนั้นคือความคิดแต่และ ว, วันเราท่านทลายคิดอะไรคิดในทางสร้างสรรค์หรือคิดในทางทําลายคิดในทางเจริญหรือในทางเสื่อมคิดในทางบวกหรือคิดในทางลบคิดในเรื่องบุญหรือคิดในเรื่องบาป พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของคนเหล่านั้นถ้าตั้งไว้ถูกแล้วให้คุณมหาศาลแต่ถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดให้โทษมหาศาลเพราะนั้นจิตสังขารต้องคิดให้ดีและทาก็เตือนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด เพราะอาจจะคิดฟุง้งซ่านคิดนอกเรื่องก็ได้ในขณะเดียวกันอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอาจจะพูดไม่ถูกหูไม่ถูกใจเสียไมตรีจิตมิตรภาพก็ได้ได้เรียกว่าไม่ประมาทในจิตสังขารไม่ประมาทในหน้าที่การงานใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้น ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้บกพร่องดังที่ธรรมภาพเคยประรบกับท่านทลายอยู่เนือ ง, เนองว่ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมมีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมคนเราจะดีจะเสียอยู่ที่หน้านี่แหละโดยเฉพาะหน้าที่ท่านจะบอกว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเยียดยาำหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างาม หน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยเหนื่อยเพราะได้ทำหน้าที่ดีกว่าเสียใจเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะทำเหนื่อยเพราะได้ทำงานดีกว่าสุขสำราญแล้วกรุ้มเป็นนักใครที่บ่นว่าฉันไม่มีหน้าที่ หรือไม่ใช่หน้าที่ของฉันอันนั้นเป็นการปฏิเสธหรือบุ้ยให้พ้นพ้นไปจริงๆแล้วเรามีหน้าที่เดีอกันทุกคนเพียงแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปหน้าที่หลักๆ ก, ก็มีสองเรื่องหนึ่งหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ กับหน้าที่ที่เป็นโดยได้รับมอบหมายแต่งตั้งหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครมามอบหมายไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งก็เป็นโดยอัตโนมัติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเมื่อเป็นแล้วก็ต้องเป็นให้ดีถ้าเป็นไม่ดีก็เสียหายท่านจึงบอกว่าต้องเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูก เป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่น่าเสน่หาเป็นปริยาแม่สีเรือนเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรเป็นสิทธิ์กตัญญูเป็นครูที่น่าบูชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ายกย่องเป็นลูกน้องที่น่าชูชุบอุปถัมภ์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วดี อีกประการหนึ่งหน้าที่ที่เป็นโดยได้รับมอบหมายแต่งตั้งเขาไม่มอบหมายเขาไม่แต่งตั้งเป็นไม่ได้เช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งถึงเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้างานเป็นผู้อำนวยการแต่ละตำแหน่งถ้าเป็นพระก็เป็นเจ้าวาดเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นรองเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเป็นเจ้าคณะภาคเป็นเจ้าคณะหดอันนี้แหละเขาแต่งตั้งทางนั้นถ้าเขาไม่แต่งตั้งก็เป็นไม่ได้ ในขณะเดียวกันเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วถ้าปฏิบัติไม่ดีเสียหายตนเองก็เสียหายหน่วยงานก็เสียหายปล่อยให้ชื่อเสียงก็เสียหายเพราะฉะนั้นท่านจจบวามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ประมาท ในหน้าที่ในชีวิตในกิจการงานในการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณแก่ตนปุปการีเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นตน้นในบันปลายชีวิตอย่าปล่อยให้ท่านอดรันทดใจในวัยชารา ต้องอุปถัมภ์ค้ำชูท่านให้ได้อยู่สุขเย็นใจในบ้านปลายชีวิตเหมือนที่ท่านเคยอุปถัมภ์ค้ำชูเรามาใครปฏิบัติอย่างนี้ได้เป็นสิริแก่ตนเป็นมงคลแก่ตัวพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมงคลสูตรประการหนึ่งว่ามาตาปิตุอุปถันังพระองค์ตรัสอ้างชี้ชัดว่า อันการบำรุงบิดรมาดาเป็นการนำมาซึ่งมงคลคือความสุข ก, กายสบายดวงจิตสมควรจะคิดด้วยเหตุผลอันหญิงชายใดให้กำเนิดตนก่อกายสะกอแล้วเลี้ยงดูมาท่านทั้งสองคือพ่อแม่เราตั้งแต่วัยเยาว์ท่านเฝ้ารักษา ถนอมกล่อมเกลี้ยงได้เลี้ยงลูกมาพระคุณล้นฟ้าใหญ่กว่าธรณีนอกจากนั้นไม่ประมาทในเรื่องบุญกุศลบุญกุศลใครทำใครได้เหมือนข้าวน้ำใครรับประทานคนนั้นก็อิ่ม จะไม่อิ่มแทนกันแข็งแรงแทนกันไม่ได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกันเป็นปัจจัดตังเฉพาะตัวของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ถึงคนรักใครจะมาขอแบ่งบ้างก็ไม่สำเร็จตามเจตนังเป็นปัจจัดตังเฉพาะตัวนอกจากนั้น ต้องไม่ประมาทในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมคนเราจะมีค่ามีราคาชีวิตได้รับการเหลียวเลยยกย่องให้เกียรติก็เพราะบำเพ็ญประโยชน์ใครระบายประโยชน์สู่โลกสู่สังคมได้มากเพียงใด ผู้นั้นก็มีคนมีค่ามากเท่านั้นแม้แต่ล้มหายตายจากไปโลกและสังคมเขาก็ไม่ลืมรูปังชิรติมัจจานังนามะโคตังนะชชรติอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังเป็นอยู่มิรู้หาย ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือการดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้เราท่านทั้งหลายถามตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา เช่นวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันเวลาผ่านไปอย่าให้ผ่านไปเปล่าต้องให้ได้อะไรบ้างอย่าปล่อยให้วันเวลาฆ่าชีวิตโดยไม่คิดทำสิ่งใดให้ภูนเพิ่มสร้างความดี ทวีไว้ไฟต่อเติมชั่วอย่าเสริมสร้างเลยเสวยกรรมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นอย่าพราดพระจอมปราดส่งเตือนไว้ใจดื่มดำเป็นปัจฉิบมะโอวาดประกาศธรรมให้สาวกจดจำก่อนนิพพานท่านทลายสิ่งที่ไปแล้วไปรับ ไม่กลับมามีอยู่สี่เรื่องไปแล้วไปรับไปแล้วไม่ย้อนกลับมาฝรั่งบอกว่าโนรีเทินหนึ่งคำพูดที่ออกจากปากไปแล้วสองลูกปืนที่ยิงออกจากกระบอก ลูกศรที่ยิงออกจากแล่งไปแล้วสามเวลาที่ล่วงเลยไปและสี่โอกาสที่มาถึงแล้วไม่รู้จักฉกเวยสี่อย่างนี้ไปแล้วไปรับคำพูดที่ออกจากปากไปแล้วพูดอย่างไร ภาาทำได้อย่างนั้นเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าสัจเจนะกิตติปปูปตติคนจะมีเกียรติเพราะว่ามีสัจจะแต่พูดแล้วไม่เป็นไปตามนั้นเสียศักดิ์ศรีเสียสัจจะผู้พู ด, พดอาจลืมคำที่ตนพูด แต่ผู้ฟังมักไม่ลืมสิ่งที่ตนได้ยินเพราะอย่างนั้นเราพูดอะไรไปผู้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเขาจำได้ประการที่สองลูกปืนลูกสอนที่ยิงออกไปแล้วถูกหรือผิดมันก็ไม่ย้อนกลับมาประการที่สาม เวลาที่ล่วงเลยไปถ้าไม่ทำอะไรก็เสียเวลาเปล่านี่แหละที่ท่านพูดกันอยู่เป็นประจำว่าเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอืดอาจมักจะพลาดปรารถนาพราดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไป ท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหรือท่านอาจารย์หลวงตาแปรเยี่ยบไม้วัดปรีรวงท่านได้ประพันธ์ข้อคิดในเรื่องเวลากับชีวิตเอาไว้บทหนึ่งซึ่งท่านทหลายที่เป็นญาติโยมเก่าๆก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆแต่โยมใหม่ๆหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินบทนั้นมีว่า อันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปไม่ปรารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยไปลืมข้าวลืมของไว้ที่ใดย้อนกลับไปหาอาจได้คืนหรือไม่ย้อนมีผู้เก็บได้เขามีน้ำใจเขาส่งคืน แวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วหมุนเอากลับมาไม่ได้ห้ามระเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามวันเวลาให้หันคืนเล่าทั้งหมดนี้ห้ามไม่ได้และโอกาสคือช่วงจังหวะนาทีทองของชีวิต ไม่ใช่จะมาบ่อยๆมาแล้วถ้าไม่รีบฉกฉวยผ่านแล้วผ่านเลยไม่ได้อะไรท่านทลายบางอย่างต้องรอคอยเร่งก็ไม่ได้รีบก็ไม่ได้พราดประโยชน์คนโบราณจะบอกว่า ช้าช้าจะได้พระเล่มงามดวนได้ด้วยสามท่าปรีพรามักพลิกแพลงนี่บางอย่างต้องรอคอยเรียกว่าคอยโอกาสแต่บางอย่างต้องรีบโอกาสมาถึงถ้าไม่รีบฉกช่ชวยก็เสียดายโอกาส โอกาสก็กลายเป็นอดีตไม่ได้อะไรท่านก็บอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักถ้าน้ําขึ้นไม่รีบตักพอน้ําลงก็เหลือแต่เลนแต่โครนโอกาสนาทีทองของชีวิตก็เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งวงนี้อย่าลืมว่าโอกาสมีไว้ให้ทำํำอดีตมีไว้ให้จํา บทเรียนที่ผ่านมาให้ถือเป็นครูคนแต่ก่อนบอกว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูแต่อาตมานี่ก็สงสารครูทุกใครทําอะไรผิดก็โยนให้ครูหมดครูแย่ผิดเป็นครูผิดเป็นครูไม่เป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าเอาบทเรียนในอดีตนั้น นำมาแก้ไขผิดพลาดไม่แก้ไขเอาแต่แก้ตัวไม่มีอะไรดีขึ้นที่โบราณบอกว่าปิ้งปราหมองงอแล้วกลับปิ้งปราหมองงอแล้วไม่กลับมันก็ไม่ผิดพลาดไม่แก้ไขก็ยุ่งผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอยยึงสี่อีกทีห้าหกซ้ำอภัยฉะไหนท่านให้ระมัดระวังอยาบผิดซ้ำซากไม่แต่เหตุการณ์ทั่วโลกบ้านเมืองต่างๆที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ก็เป็นครูทั้งนั้นเมื่อในปัจจุบันนี่้าก็บอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองพึงดูประเทศอียิปต์แต่หยยิปเอาอียิปต์นั้นมาเป็นครูเพราะมันจะเกิดยุ่งกันใหญ่บ้านเมืองทั่วโลกถ้ามีสองฝ่ายเมื่อไรก็ยุ่ง คือมีนักการเมืองและก็มีนักกวนเมืองมีฝ่ายค้านและก็มีฝ่ายแค้นมีรัฐบาลต่อไปก็เป็นรัฐแบนผลร้ายก็เกิดแก่ประเทศชาติไม่ว่าประเทศใดๆในโลกเพราะนั้นท่าหลายวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน สิ่งที่เราได้เหมือนกันทุกคนและได้มาฟรีๆคือได้เป็นสวที่แปลว่าผู้สูงวัยเขาไม่เรียกว่าคนแก่มันแสลงหูแสลงใจเรียกว่าสวผู้สูงวัยท่านเป็นสวสวสวแบบไหนสวมีสี่แบบ หนึ่งสวทางสังขารแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานอันนี้เหมือนกันทุกคนเป็นสวทางประสบการณ์อันนี้ดีมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากรู้เห็นหรือเป็นมาแล้ว ภาษาพระเรียกว่ารัตตัญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานเป็นสวาทางสมองเป็นผู้มีความคิดความรอบคอบความรับผิดชอบแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่สำคัญอย่าลืมเป็นสวาทางคุณธรรมทางจริยธรรมคือเป็น บุคคลต้นแบบดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นชื่อว่าแกยังมีคุณค่าชาราอย่างมีคุณภาพอย่าให้แก่แบบไร้ค่าชาราแบบไม่มีสภาพนั้น ถ, ถ้าหลายคนเรานั้นจะดีจะงามในชีวิตเป็นพิเศษก็อยู่สามตอน คนเราจะดีจะงามที่สุดก็สามตอนตอนไหนบ้างตอนโตตอนแต่งแล้วก็ตอนตายดูกันสามตอนนี่แหละตอนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความสวยความงามตามธรรมชาติทางสรีระสังขารผิวพรรณวันนะบุคลิกลักษณะที่ดี ตลอดถึงหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงตอนที่สองตอนแต่งแต่งในที่นี้ทั้งแต่งภายนอกและแต่งภายในแต่งกายแต่งใจจนกระทั่งที่สุดคือแต่งงานวันนั้น ทั้งสองฝ่ายเป็นเทพพบุตรเป็นเทพพฏิดามีวาสนาได้เป็นเจ้าฝ่ายหญิงก็ได้เป็นเจ้าสาวฝ่ายชายก็ได้เป็นเจ้าบา่าวนั่นแหละสวยที่สุดงามที่สุดในชีวิตวันนั้นตอนสุดท้ายตอนตาย ท่านทลายคนเราถ้ามีความดีแล้วตายศพก็งามมีเกียรติแต่ถ้าไม่มีความดีศพก็ไม่งามน่ารังเกียจท่านลุกตาแปรเยื่อไม้ประพันไว้อีกความดีทำไวถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหาม หากทำชั่วตัวก็ตกต่ำถึงมีหน้าก็ต้องคว่มเหมือน้อยโขงห้อยแครงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานจงหมันแสวงถึงใครค่อนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไปถ้าเป็นคนดีคนมีคุณภาพอยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อะไร แล้วเราท่านทลายก็จะประจักษ์ในวาธทธิว่าจากกัญยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกัญยามตายได้เห็นน้ำตาน้ำตาแสดงถึงค่าราคาของชีวิตที่มีคนอะไรอวนท่านทลายเป็นงานศพไปสังเกตเถิดศพผู้ใดที่มีรีธ มีมาลัยมาคราวะอะไรมากๆนั่นแสดงถึงค่าราคาของชีวิตเขามากท่านถึงบอกว่าคนดีตายรีดไม่มีที่จะวางแต่ถ้าคนชั่วตายบ้างไม่มีใครคิดจะวางพวงรีดนี่ก็แสดงว่าค่าราคาของชีวิต เกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนเรามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วมาเพิ่มเติมดีใหม่ๆให้แก่ชีวิตจิตใจยอย่าให้ดีนั้นถูกทำลายบุญเดิมเสริมส่งให้ได้ดี บนยิ่งทำยิ่งทวีเ พ, พรื่อริงบนยิ่งมากยิ่งมีความสุขบนติดตามไม่ทิ้งเช่นเขาเงาตนญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระใหญ่แท้จริงวันนี้เป็นวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าวาดรัฐปยุลวงศ์จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาปโปรดท่านทานลายแต่เนื่องจากพระเดชพระคุณมีสาสนกิจสำคัญที่ประเทศศรีลังกาเพิ่งเดินทางไปเมื่อวานนี้ ได้มีเมตตาบัญชามอบหมายใหตธมภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดท่านทลายแทนท่านและประการสำคัญวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของพระอารามเช่นประเดชพระคุณพระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าวาดและประธานองค์การเผยแผ่ของวัดปริโรวงสาวาดแม้พระเดชพระคุณจะเป็นพระเถระที่มีศาสนกิจที่ต้องไปปฏิบัติในแต่ละแห่งในแต่ละวันนั้นมากแต่วันนี้พระเดชพระคุณก็มีเมตตาอยู่เป็นขวัญเป็นกำลังใจของญาติโยม นำท่านหลายทำวัดสวดมนต์และก็นั่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจอยู่ถึงในขณะนี้จึงนับว่าเป็นโชคดีของเราท่านหลายจึงฝากทุกท่านว่าท่านเป็นพุทธสาวกเป็นผู้ที่มารักษาดีเดิม มาเพิ่มเติมดีใหม่มาขับความชั่วคือกิเลสออกไปแล้วขนความดีคือบุญกุศลเข้ามาใส่แล้วก็รักษาความดีนั้นๆไว้เพื่อให้ชีวิตจิตใจของเราทุกท่านทุกคนได้อยู่สุขเย็นใจมีความผ่องใสไพโรธ ในหน้าที่การงานจึงขอชื่นชมอนุโมทนาต่อทุกๆ ท, ท่านทั้งพุทธบริษัทญาติโยมประจำและเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลนวารีก่อนแต่ที่จะได้อนุโมทนายาถาสัพพีเพื่อให้บุญกุศลของเราท่านถลาย ได้เพิ่มพูนแผ่ไปสารยิ่งขึ้นขอเชิญท่านทลายประนมมือและว่าตามอาตมภาพพร้อมกันดังดังณนะบัดนี้อิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยด้วยบุญญกรรม ข้าพระเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดามารดา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 แต่ล้วนส่วนบุญอินปรมยมยักษ์เสื้อเมืองเรืองสัตว์ทรงเมืองการุลเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจะตุโลกบาลมนุษย์และสัตว์ คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างปรานตีดาข่าไว้ด้วยใจเป็นพานจองกเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ฆ่าแผ่ผลอุทิศส่งให้ และจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้ลุถึงนริภานด้วยบุญกรรมพร้อมคำอธิษฐานที่ว่ามานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบันดาล บรันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมะจักษุธรรมาพิสมัยตัดอุปาทานตันหาขาดไปสันดานของใสปราศจากเลวสาม สติปัญญาความเพียรแกร่กระความคิดดีงามทุกชาติทุกพบประสบแต่ความสุขอย่างสวยงามกราบเข้านฤ่านมาราธิราชอย่าได้โอกาส ตามระจนปรานมุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญตลอดปลอดภัยเดชะพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงค์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่ง ำจัดเวรภัยอันตรายใดๆจงนิราชประเทินยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาสรังเอวะเมไวโตธินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังขิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาสพิทิโยวิวาจจันตสัพ ทตมะเตวัสาดายุกีเยขโยคววาสสิยะิโยอิัดสสะปโลอวินาตุมม เทียริยภายุโกวะภวสัตติอนิยุปว o a าชาตุตาโลโกวินาสตุมาเววันา อโยโวพระวาภิกขะทติยัยัติธาายจิโนอา